น, นี้ก็พูดถึงในเรื่องของบารมีต่อเนาะห่างไปนานเรื่องบารมีก็มาเข้าเรื่องบารมีอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของอธิษฐานบารมีเหลืออีกสองบารมีนะีที่ยังไม่ได้กล่าวและยังไม่ได้พูด ก็คือพูดถึงในเรื่องของคําว่าเมตตาบา ร, รมีและก็เวขาบา ร, รมีนี่แหละในด้านของบา ร, รมีดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นคุณธรรมอันยิ่งยวดคุณธรรมอันยิ่งยวดที่บรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องทําให้มีทําให้เกิดขึ้นหรือบุคคลที่ปรารถนาความหลุดพ้นทั้งหลายต้องทําให้มีทําให้เกิดขึ้นนี่แหละ ก็จึงเรียกว่าเป็นเป็นบารมีฉะนั้นเวลาเราศึกษาในเรื่องของบารมีเนี่ยก็มาศึกษาในจริยาวัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเอาละทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของเมตตาในเมตตาเนี่ยมีความหมายค่อนข้างว่าแ บ, บวรักปรารถนาดีเอื้อทอนนิละฉะนั้นตัวเมตตาจึงมีลักษณะ มีความเป็นไปโดยการที่เป็นไปประโยชน์ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเป็นลักษณะตัวเมตตาเนี่ยถ้าโดยอง์ธรรมของเขาก็ได้แก่สภาวะธรรมที่เป็นสภาวะของความไม่โกรธความไม่โกรธมันมีความไม่โกรธเนี่ยก็เป็นไปในสองลักษณะนะลักษณะของขันติคือความอดทนต่อเหตุที่ทาให้เจ็บใจอย่างหนึ่งกับเมตตามีความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นผู้สุข คุณธรรมสประการเหล่านี้องค์ธรรมมันตัวเดียวกันคือคาอาโทสะเจตสิก ค, คือความไม่โกรธนะคือความไม่โกรธทีนี้ลักษณะของเมตตาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีความไม่ดุร้ายเป็นลักษณะไม่ดุร้ายก็คือความไม่เคร่งเครียดไม่เคร่งเครียดเป็นลักษณะด้วยเหมือนเหมือนอะไรเหมือนมิตรผู้อนุบาลช่วยเหลือเข้าใจคําว่าอนุบาลไหม มิตรที่ตามดูแลมิตรที่ตามช่วยเหลืองั้นสภาพของเมตตาเนี่ยมันมีความไม่ดุร้ายไม่หยาบ ก, กระด้างก็ทำให้สภาพจิตใจนั้นเป็นมิตรเป็นมเนมตรีต่อบุคคลแล้วก็เป็นมิมตรเมตีต่ออารมณ์ที่รับรู้นะนั้นอโศกเนี่ยเกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วภายในความรู้สึกของบุคคลนั้นก็จะไม่มีความดุร้ายก็ไม่ผูกโกรธแม้แต่ประการใดก็ไม่เป็น แม้จะมีความโกรธความมาคาดความแค้นเคืองหรือความหงุดหงิดความรำคาญใจเป็นต้นอยู่ก็ตามแต่เมื่อสภาพเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมกับสัมยุทธธรรมที่เกิดขึ้นมานั่นแหละอาการแห่งโทสะเจตสิกก็จะระงับดับหายหมดสิ้นไปมีแต่ความคิดที่จะคอยเกื้อกูลนะช่วยเหลือท่านยังกล่าวถึงลักษณะว่าเวลาเมตตาเกิดขึ้นเนะี่ยเมตตาเหมือนอะไร เปรียบเส ม, มือนมารดาที่มีความเอ็นดูต่อบุตรที่ดาอันนี้ชัดเลย <c oughs> แม่เนี่ยนะแม่ที่เอ็นดูรักในบุตรเนี่ยลักษณะของเมตตาจะเป็นแบบนี้จะมีสภาพของเปรียบเส ม, มือน บิดามารดานี่แหละเอนดูต่อบุตรธิดาหรือเอนดูลูกน้อยตนเองอาคาตาปริราหะวินายะราโสก็มีการกำจัดวาาเมตตาเกิดขึ้นมาก็กำจัดความอาฆาตกำจัดความเร่าร้อนเป็นกิจเหมือนอะไรดีเหมือนเนื้อไม้จันทหอมที่กำจัดความร้อนที่เหนียวเนืดอหนะก็ทําให้เกิดความเย็นความสบายชั้นใด สภาพของเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บอโทส่าเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะ ก, กจัดความอาฆาตสภาพจิตที่ดุร้ายสภาพจิตที่เป็นพยาบาทจองเวรหรือความหงุดหงิดความลำการใจด้วยอํานาจโทส่าให้สงบลงนั้นต่างเมตตาเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้แหละมีการให้อภัยแก่คนที่ทําผิดต่อตอนเองเป็นต้นเคยเป็นไหมสภาพจิตใจแบบเนี้คนที่กระทําผิดต่อเราเอาเปรียบเรา ปัทธร้ายเราหรือคิดไม่ดีอะไรกับเราจองเวรอะไรก็แล้วแต่กับเราเนี่ยเวลาสภาพเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บอโทศกเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทาลายเลยเนีทําลายสภาพจิตที่โหดร้ายจิตที่พยาบาทจิตที่อาฆาตจิตที่จองเวรแม้ความหงุดหงิดในความร้อนความเย็นความหงุดหงิดในบุคคลความหงุดหงิดในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยสภาพความเป็นผู้ใจดีจะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่เป็นอย่างนี้นะ ฉะนั น, ม, นมันมีอิทธิพลอย่างนี้แหละเมตตาจริงกําจัดนะความเร่าร้อนให้หมดสิ้นไปได้ทีนี้ประการที่สามก็คือโสมภาวะปัจจุบันโนเออตรงเนี้ยนะประการที่สามก็มีความร่มเย็นนั้นอาการปรากฏของเขาก็คือเหมือนจะมีอาการร่มเย็นร่มเย็นปรากฏเกิดขึ้นทันทีเหมือนเงาแห่งจันเพนเนี่ยนะเคยกล่าไวไว้มั้งตรงเนี้ยนะีย เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเพราะนั้นพระจันทร์วันเพ็ญเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเออมันจะมีความรู้สึกว่าทําให้เย็นตาเย็นใจถ้าวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองือตอนเวลาเราไปมองดวงจันทร์เนี่ยโอ๊ยจิตใจเราจะดีจิตใจเราจะเยือกเย็นฉันใดฉะนั้นสภาพกาสภาพจิตใจของบุคคลที่มีเมตตาก็มีสภาพในลักษณะอย่างนั้นแหละ เวลาอาโทสะมันเกิดขึ้นมามันตรงกันข้ามกับโทสะนั้นสภาพที่เราร้อนสภาพที่เดือดดานสภาพเนี่ยเหล่านั้นก็จะถูกโทสะความไม่โกรธบดบังส่วนอโทสะนี่ก็มีความสงบเย็นการที่บุคคลมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขเนี่ยนั้นผู้ใดได้พบเห็นก็พลอยสบายใจไปด้วยที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบุคคลที่เจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยจะมีบุคคลิกภาพที่น่าน่ารัก จะเป็นคนที่มีความผ่องใสมีความเยือกเย็นใครอยู่ใกล้และสบายใจนะบุคลิกภาพที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาแม้สภาพจิตใจนะโอ้เยือกเย็นมากดูหน้าพวกเราแล้วเนี่ยนี่วงบอกเลยว่าเมตตาไม่ค่อยเกิดแล้วก็เป็นคนที่ฝืนยิ้มใช่ไหมเวลาคนที่มีโทรศเวลาจะยิ้มฝืนยิม้มหรือจะแยกเคี้ยวยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยิ้มแบบเสยีสยเหเสีย มันยิ้มแบบมันไม่มีออกจากน้ำใสใจจริงเคยเป็นไหมครับเบลเอ๋อป้ามันยิ้มตลอดเวลาใจมันแย้มตลอดเวลาใจมันเยือกเย็นตลอดเวลาเพื่บุคลิกภาพมันก็จะออกมาไหมบุคลิกภาพพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้สีหน้าแววตาทั้งหลายก็พองใสตลอดเลยมันได้อานิสงส์สิบเอดประการของเมตตานั่ยเลยตรงเนี้นักบวชต้องเป็นนักบวชถ้าไปกัดกลุ่มไปเครียดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วใช่ไหม เขาไม่ได้เรื่องแปลเดินจิตผิดแล้วแต่สภาพเมตตาต้องให้เกิดตลอดลองทํากันหน่อยได้ไหมนับสมาทานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะภายในภรษานี้เราจะทําจิตเยือกเย็นให้เกิดขึ้นเราจะไม่ทําความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นกับบุคคลกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดจะทําให้จิตให้่าเริงเบิกบานผ่องใสสบายอกสบายใจอย่างติดต่อและต่อเนื่องทําจิตให้เกิดความปราโมดปีติ ให้เกิดปัจสัตที่ความผ่อนคลายแล้วก็สุขสมมนัตให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องบุคลิกภาพพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะออกมาแบบงดงามใครเห็นปุ๊บก็อยากจะมองแล้วมองอีกเออเห็นไหมอา น, นิสงส์มีตั้งเยอะเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโอโหเยอะแยะหมดเนาะใช่ไหมเนี่ยสภาพของเมตตาต้องให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้คือว่าใครพบเห็นก็ต้องสบายใจไม่ใช่ว่าโอโหเมตตาอยู่ลึกมาก นะแคะแกะเกาไม่เจอเลยนะบุคลิกภาพที่แสดงออกมาก็แข็งกระด้างหยาบคายบ้างตาก็จะขลังงไงชอบคนมองก็ไม่มองคนได้ปิยะจากสุฝึกอย่างเงี้ยฝึกมองฝึกเมตตาให้เกิดทางตาก่อนมองแล้วก็มนาสิการถึงปิยะจากสุขมองแล้วก็ให้เกิดความรากักความปรารถนาดีความเ อ, อื้อถอนก่อนแล้วจึงมองแล้วคิดปรารถนาดีคิดเกื้อกูลกับบุคคลอื่น สังเกตดูนะดูเหตุใกล้เห็นชัดถ้าปรารถนาที่จะเจริญเมตตาบา ร, รมีหรือเมตตาภาวนาทั้งหลายต้นที้เกิดขึ้นเนี่ยเมตตามีอะไรเป็นเหตุใกล้ชิดอเออมีโยนิโสมณสิการปรทัฏฐานโนมีโยนิโสมณสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคือพิจารณาโดยอุบายแยบคายอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงของชีวิตก็พิจารณาว่าในสังสารวัฏนี้ คนที่ไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้องไม่เคยเป็นพ่อไม่เคยเป็นพ่อแม่ไม่เคยเป็นปู่ตายายยายไม่เคยมีอุปการะคุณแก่เราเนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยบุคคลเหล่านี้ถึงแม้จะมาประทุษร้ายเราในาวันนี้แต่ท่านผู้นี้ก็เคยเป็นแม่เรามาเราเคยดื่มน้นํานมจากอกของท่านผู้นี้เลือดของท่านผู้นี้เคยมาหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของเราในอัตภาพในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ฉะนั้นชไหนเลยเราจะมาโกรธบุคคลผู้มีอุปการะคุณกับเราได้โอ้โหคิดอย่างนี้ชัดไหมเออถ้ามองอย่างนี้ได้โอ้โหี่ เ, เรียกตัวโยนิโสเนี่ยฉลาดมากตรงนี้สำคัญมากนะเขาเรียกว่าคิดโดยเฉพาะคิดตัวไหนดีคิดแบบอุปปาทะกะมนสิการ คิดให้เกิดเมตตาได้คิดให้เกิดความรักคิดให้เกิดความกระุนให้ความหวังดีปรารถนาดีเอื้อทอนได้แต่ก่อนที่จะคิดตรงนี้ได้ก็ต้องมีอะไรมีกรนามาสิกานก็คิดคิดสาวเหตุคิดสาวเหตุปัจจัยว่าเอาละสิเบื้องไหนบอกในสังสารวัฏเบื้องต้นนั้นบุคคลรู้ไม่ได้บุคคลท่านี้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อไม่เคยเกิดเป็นแม่ไม่เคยเกิดเป็นน้องเป็นนุ่ง ไม่เคยเกิดมาเป็นปู่ตายายายเราไม่เคยเกิดมาเป็นเพื่อนที่มีอุปการะคุณแก่เราไม่มีเลยพอมาหน้สการอย่างนี้ถือว่าหลอกตัวเองหรือไม่หลอกอันนี้คิดตามแนวของเหตุผลนะคิดตามความเป็นจริงเอาความเชื่อตรงเนี้ยไปฝากใครไว้ไปฝากไว้ที่ปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระพุทธเจ้าตัสรู้แล้วพระพุทธเจ้ามีพระสัพพัญญตญาณใช่ไหม เราเชื่อมั่นในพระสัพพัญญตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าเชื่อมั่นในพระสัพพัญญตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แหละตรัสบอกว่าในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้คนที่ไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้องไม่เคยเป็นพ่อไม่เคยเป็นแม่เป็นต้นน่ยไม่มีล้วนแต่เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้น เราจึงควรที่จะเกิดความรักความปรารถนาดีความสามคัคคีอนุกอ์เกื้อกูลกันเป็นต้นพอพิจารณาโดยอุบายแยบคาอย่างนี้แล้วเนี่ยเมตตาก็เกิดขึ้นคุณธรรมข้ อ, อนี้ก็เกิดขึ้นคุณธรรมคือเมตตาที่เป็นอัโทสะสภาพที่เยือกเย็นสภาพที่ไม่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยแก่ความเป็นสภาพจิตของเราเนี่ยเกื้อหนุนสภาพจิตใจของเราเนี่ยให้เป็น ผู้มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นต้นเรวเนี่ยนะและอีกอย่างหนึ่งนะคุณธรรมคือโทสะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยนะเพราะบุคคลที่ไม่โกรธเนี่ยไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธก็ย่อมไม่ถูกไฟคือโทสะแผดเผาคนที่ถูกไฟคือโทสะแผดเผาหนังก็จะเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยเส้นผมก็จะงอกใช่ไมเร็วใช่ไหใ ช, หใช่เออคนที่ ถ้าย่างพวกเราคงจะไม่ค่อยโกรธกันนะผมยังไม่ค่อยงอก <c oughs> แต่บางทีป่วยเพราะโรคภัก็มีนะอย่าลืมอย่างคนเคยให้ยาแรงๆเนี่ยผมงอกหมดเลยเนี่ยเนี่ยหัวหัวเหี่ยวหมดเลยเคยให้ยาประเภทที่เพีนิสโรนเข้าไปเงี้ยเนี่ยให้ยาแบบมากๆเลยเนี่ยหรือให้กลุ่มพวกเอ่อซันนิมูเนียโรเนี่ยเนี่ย ให้ยากลุ่มพวกนี้แรงมากร้อนมากไม่เหลือแต่พวกเราเนี่ยนะสภาพจิตใจแผ่เมตตาไว้ได้ไหมทำใจเใมตตาเกิดขึ้นได้ไม่ได้ได้ไม่ไ ด, ได้ทำให้มันได้นะเนี่ยลักษณะนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยอโทษาเนี่ยจ ะ, สะแสดงออกมาสองส่วน แสดงออกมาในส่วนของเป็นขันติด้วยอดทนต่อต่อเหตุที่ทําให้เจ็บใจก็ได้ 2. แสดงออกในความเป็นเมตตาก็ได้คือความปรารถนาดีปรารถนาคนอื่นเป็นสุขนี่แกนั้นเวลาพูดถึงขันติครั้งก่อนก็เลยพูดถึงในเรื่องของตีติขาขันติบ้างตะปาขันติบ้างอธิวาสนาขันติใช่ไหมความอดทนต่อความอดกลั้นถูกดา่าถูกว่าก็ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบมีความอดทนอดกลั้นไว้ได้อันนั้นก็ตีติขาขันติ ถ้าตาปากขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสให้เล่าร้อนเหือดแห้งหายไปนี่เป็นตบะนี่ยออันนี้เป็นคุณสมบัติของนักบวชที่บอกว่าขันติปรมังตาปอตีติขาเคยได้ยินคํานี้ไหมขันติเป็นเป็นทำเครื่องอดกั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสขันติคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิบาปเผากิเลส ออแทนที่จะให้กิเลสแผดเผากระแสชีวิตเราก็ใช้ขันติคืออัโทสานี่แหละนะีคือสภาพความไม่กโกรธสภาพความที่ยอมรับได้นี่แหละเป็นตัวไปเผาซะเลยเผาความโลดคุลบกดหลงซะเลยนะสูงไปกว่านั้นก็เรียกอธิวาสนาขันติความอดทนอย่างหนักแน่นจนสามารถยั่งกิเลสทั้งหลายให้สงบไปได้เรามีไหมขันติสองสาประการมีไม่มีจากนั้นทังบอกว่าจะทนลำบากตรากตรำทนต่อความเจ็บใจ เออทนต่อความเจ็บไข้แล้วก็ทนต่อความเจ็บใจเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของขันติมันเกื้อกูลเกื้อกูลเมตตาหรือไม่เกื้อกูลขันติดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกื้อกูลนะความอดทนต่อกจิจการงานจะเหน็ดจะเหนื่อยจะยากจะลาบากยังไงอื่ก็อดทนได้ความเป็นอยูงตนเองก็ดีของครอบครัวก็ดีของสังคมของประเทศชาติของศาสนาไม่ย่อท้อ มันทําธุระหน้าที่ของตนไม่เห็นแก่ความเหน็ดคือความเหนื่อยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากไม่ทําด้วยความมักง่ายไม่เกียจค้านทนในการที่จะสร้างสารรค์คุณความดีให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานขวนขวายเต็มที่เลย น, บบ น, ลนี่ก็เลยทนลําบากตรากตําเงี้ยก็เป็นคันติเหมือนกันไม่ปล่อยให้โทสะเข้ามาแผดเผาเราต้องเจ็บป่วยไหม เล่นบอมในป่วยทุกวันเลยความป่วยเยอะอันนี้ต้องเอาทนต่อความเจ็บไข้ตอนนี้ป่วยแล้วก็อดทนไว้ไม่แสดงอาการทุรนทุลายออกมาไม่ยอมแสดงออกมามีพระรูปหนึ่งท่านอดทนกันไว้ท่านก็นอนกลิ่งกริ่งกริ้ง กริ้งลองลมในข้างในเนี่ยมันบิดบิดลาไส้นะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาท่านก็บิดกริ้งไปตามไอ้ลมภายในมันมันผันพวนเนอะบิดลาไส้ท่านก็กริ้งกริ้งมีพระรวมหนึ่งว่าทำไมท่านท่า น, ท, านท่านจะกริ้งทำไมท่านอดทนสิอดทนอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็ทำตามอดทนปุ๊บสักพักหนึ่งไส้ก็ไหลออกมาจาก ท่านก็ถามว่าทนแค่นี้พอไหมพระก็เงียบเลยต่อมาท่านบรรลุเนะี่ยเอ๊ะถ้ามันจะหาวจนยะทนไว้ได้ไหมได้ไหมนะเออลองทนฝึกทนดูไม่ไปใส่ใจมันเลยดีไหมลองดูลองฝึกดูนะทนต่อความเจ็บใจเออเดี๋ยวคอยพายเอยทนต่อความเจ็บไข้เนี่ยต้องไปเข้าใจก่อนเราเรียนเรื่อง รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ขารและขันวิญญาณละขันไม่ขันฮะเพือนขัน <c oughs> ทนต่อความเจ็บใจกรไหม่อทนต่อการถูกด่าถูกด่าเจ็บใจไหมผิดหวังเจ็บใจไหมทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จจิตใจเนยทนต่อการได้ประสบกับอนิจฐานลมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี้ยเนี่ยแต่ต้องระวังไอ้ทนเพราะความกลัวทนเพราะความลาคาญทนเพราะขันติมคนละอย่างกันนะ ทนเพราะกลัวนี่อันนี้ไม่เรียกว่าขันติหรอกทนเพราะลำคาญไม่อยากจะโต้อตอบอันนี้ก็ไม่ใช่ขันติหรอกเป็นบ่อยไหมทนเพราะกลัวเนี่ยกลัวไหมกลัวคนที่เขามีอำนาจวาสนากว่าเราก็เป็นผู้บังคับบัญชาเราหรือบางคนเป็นสามีก็ลำคาญภรระยาทนไม่ได้กลัวหรอกมันลำคาญไม่อยากจะตอบโต้ไงแต่ลำคาญไม่อยากไปโต้เถียงไม่ใช่ไม่ต้องการใช้กำลัง พอใช้กำลังมันก็จะมีแพ้มีแช่หน่หนะก็เลงเงยเงียบไปเป็นคันติไหมเออทนเพราะขันติเนี่ยนี่ทนต่อถ้อยคําของคนที่ต่ํากว่าก็ได้บุคคลที่เขาแย่กว่าเราก็ได้เป็นต้นนะอา น, นิสงอานิสง์อนนสงของขันติหรืออา น, นิสง์ของเมตตาก็แทบแทบไม่ต่างกันเนาะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากเป็นผู้ไม่มากได้เวนเป็นผู้ไม่มากได้โทษเป็นผู้ไม่หลงในทำการกิริยาตายแล้วก็ไปสุคติ ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความโกรธหประการเนียเป็นผู้หมดความโกรธเ อ, ออย่างนี้ไม่มีไม่โกรธอยู่แล้วเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเราอยู่กลุ่มไหนฝึกฝนตนเองนียเป็นผู้เลี้ยงชีพชอบเป็นผู้ดูดพ้นแล้วว่ารู้โดยชอบเป็นผู้สงบเป็นผู้คงที่ตาทีบุคคลเนี่ยเป็นพ่อทหารทั้งหลายเนี่ท่านจะไม่โกรธแล้วเออตรงนี้ก็ไปดูในด้านของเมตตานียเมตตาที่จะเป็นส่วนในการที่จะทําให้ ให้เกิดขึ้นนะนะผลของการประพฤติปฏิบัติออกมาทางไหนท่ามที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันได้ด้วยนั้นเมตตาบารมีจะออกมาทางด้านเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในมิตรในสหายทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้ช่วยขวนขวายในกิจธุระของมิตรสหายด้วยกายกรรมอย่างเต็มที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ร่างกายทํา แต่ก่อนที่จะทํากรรมทั้งหลายด้วยกายนั้นให้มีเมตตาตั้งไว้ก่อนรักปรารถนาดีเอือ้ออทรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเมตตาวจีกรรมก็คือเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในมิตรในสหายในบุคคลทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังช่วยขวนขวายในกิจธุระของมิตรสหายเช่นช่วยติดต่อประสานงานกล่าวตักเตือนมิตรสหายผู้อยู่ในความประมาทให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังทําสิ่งที่ได้ฟังแล้วที่ยังไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดเนี่ย ทำจิตของผู้ฟังนั้นให้แจ่มใสให้ล่าเริงด้วยการมีพูดด้ยวยเมตตาพูดด้ยวยความรักพูดด้ยวยความปรารถนาดีอันนี้แปลว่าการกระทําเลยนะออกมาจากพฤติกรรมและทางกายทางวาจาแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือฝึกขัดตั้งโมโนเมตตามโนกรรมเข้าไปตั้งโมโนกรรมที่ประกอบด้ยวยเมตตาต่อหน้าและรับหลังคิดคิดเป็นคิดให้เมตตาเกิดขึ้นคิดโดยโยนิโสมณสิการดังที่ได้กล่าวนั่นแหละเมื่อคิดแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ สภาพเมตตาเกิดขึ้นปรารถนาดีปรารถนาเนี่ยวิธีคิดก็คือว่าเห็นใครปุ๊บไม่ปล่อยจิตเฉยๆยิดได้ไหมล่ะ เ, เห็น อ, อท่านนายปุ๊บเนนบอมก็บอกว่าขอให้หลวงพี่นายให้คุณนายอะไรก็แล้วแต่ เ, น, เนี่ยบอกว่าขันติพโลยังไม่ชื่อสันติหรือขันติสันติสันติพละให้สันติให้ท่านสันติพโลเนี่ยจงมีอายุยืนคิดได้ไหม ให้ท่านสันติพโลเนี่ยจงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งให้มีผิวพรรณงามให้เป็นผู้ไม่มีเวรกับใครๆปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาขอให้ท่านสันติพโลดำเนินกระแสะชีวิตไปตามมรรคาของพระชินเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาจงสา ม, มารถกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสะดวกโดยเร็วดยฉับพลันเทอดคิดไงี้ได้ไหม คิดได้ไม่ได้คิดให้มันเป็นให้มันเป็นร่องก่อนบางทีมันคิดอย่างนี้ได้แต่เมตตาไม่ไปเคยเป็นไหมคิดได้จริงๆนะคิดแบบนี้ออกหมดแต่แต่ความสดชื่นแห่งจิตความเบิกบานแห่งจิตความปราถนาดีแห่งจิตสภาพจิตที่เอื้อทอนแบบจับจิตจับใจมันไม่เกิดเคยเป็นไหมล่ะอันนี้แปลว่าได้แต่คิดแล้วมันก็เมตตามันไม่เกิดนี่นก็ฝึกคิด แล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือสาธาณรณะโพกีแบ่งปันวัตถุสิ่งของต่างๆที่ตนได้มาโดยชอบธรมให้เพื่อนพมนรมอาจารย์ไม่หวงไ ม, ม่บริโภคไว้ใช้สอยคนเดียวหรือไม่หวงงเป็นผลประโยชน์เฉพาะตนด้ฝ่ายเดียวเอาเลยได้ของมาก็แบ่งปันคิดอย่างนั้นจริงไหมแบ่งด้วยเมตตามีความรักปราถนาดีเอื้อทอนแบ่งปันประการหนึ่งก็คือศีรสามัญตานะปรับ ความประพฤติและวิถีทางดําเนินชีวิตของกันและกันให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามตํานองของตาําไม่ประพฤติผิดแพกแหวกแนวจากคนอื่นไปในทางที่มันไม่ดีอันนี้เป็นศีราสามัญญาตาคําว่าศีรสามั ญ, ญาตาเนี่ยเอาศีลของพระอริยะเป็นตัวตั้งเอาอริยกันตัดศีลนะศีลที่บาลีชื่นชมและครเป็นจุดตั้งแล้วมาดูว่าเราเนี่ยต่างฝ่ายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยประพฤติไปตามอริยกันตัดศีลศีลกับพระอริยะชื่นชมและไขไหม ประพฤติไปตามอปป a r a m ถศีลศีลที่ไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิจับฉวยลูกคำเนี่ยสีนที่รักษาเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อเป็นไปตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะจริงๆสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสัมมาวิมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเออเป็นศีลที่เป็นไปตามมัชฌิมาปฏิปทาดําเนินไปทางเนี้ยไม่เป็นศีลที่มันเอียงก็หาการมาสุ ข, ขาริการโยโยคือการหมกมุ่น ทำตนเองให้หมกมุ่นอยู่ในกามติดแน่นอยู่ในกามวัตถุด้วยอํานาจของกิเลสกามหรือทําตนเองให้เข้าไปสู่ทิฏฐิที่ผิดผิดมีการปฏิบัติตนทรมานตนทั้งหลายทํำให้ตนเองเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเออถ้ามันมันวิ่งไปสองทางนี้ไม่เรียกว่าอริยการตศีลงั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันต้องมาเพฤ่อศีลประเภทไหนต้องเป็นอริยกันตศีนไหมต้องเป็นอริยการตศีนศีลที่พระอริยเชื่นชมรักใคร ศีลเป็นที่รักของพระอริยะเขาพระอริยะท่านเจริญศีลแบบนี้ศีลแบบไหนศีลที่เป็นไปเพื่อปลาโมดน่นแหละเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปลาโมดปลาโมดที่เป็นปิติอ่อนๆปลาโมดก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อปิติจิตพองขึ้นเนี่ยนะีปีติก็เลยเป็นปัจจัยแก่ความผ่อนคลายคือความสงบกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบแล้วก็ ป ส, สถาก็เป็นปัจจัยแก่สุขโสมนะสุขโสมมานัก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตก็เป็นประทัศฐานแห่งการพัฒนาปัญญาคือเข้าไปรู้เห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นเนี่ยนะเออถ้าเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เนี่ยศีลที่เป็นอริยการจศีลมีจุดหมายเพื่ออย่างนี้แหละเพื่อความฉลาดแห่งจิตโดยแท้เพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์นี่<อ>ก็เมือ่อเรา อาอาริยะกันศิสนาเป็นตัวตั้งทุกคนก็ปรับพฤติกรรมตนเองปรับวิถีความคิดปรับความรู้ความเข้าใจตัวเองให้ไปสอดคล้องกับศีลของภริยะทัานแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามศีลที่ภริยะชื่นชมรักใครเนี่ยลักษณะอยนี้เขาเรียกว่าเมตตาตัวเองที่ถูกต้องใช่ไหมคนทําชั่วคนทําผิดเชื่อเมตตาตัวเองไหมเชื่อหรือไม่ชื่อไม่ชื่อหรอกใช่ไหม คนทำชั่วคนทำผิดทั้งหลายชื่อว่าเบียดเบียนตัวเองนี่ชื่อว่าไม่เมตตาตัวเองคนประกอบกายโยตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยชื่อว่ารักตนเองไหมชื่อว่ามีเมตตาตนเองไหมคนที่ไปสร้างเหตุปัจจัยทําให้คนอื่นเขาประพฤติทุจริตมีกายโยตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชื่อว่ารักคนอื่นด้วยเมตตาจริงไหมก็ไม่จริงสรุปแล้วคนถ้าไม่รักตนเองให้ถูกต้องแล้วยังจะรักคนอื่นเป็นไหม ไม่เป็นบางทีเนี่ยเราเห็นใครปุ๊บเราชอบด้วยตันหาแล้วเราก็จะไปบอกเขาว่าฉันรักคุณนะนั่นเป็นความรักหรือเป็นการทําลายกันแน่รักหรือทําลายนั้นตันหาเนี่ยรักด้วยตันหาไม่รักแท้หรอกทาลายเขารักเขาก็ชวนเข้ามาทําบาปเงี้ยมันจะเป็นรักแท้ดิ้งใช่ไหมชวนให้เขามายึดติดที่เราเอาละสิทีนี้ แล้วก็เราต้องการคอนโทรเขาต้องการกํากับเขาต้องการให้เขาเป็นไปอย่างความอยากของตัวเองแล้วก็เอาความอยากของตัวเองเป็นจุดหมายเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นเตือนเอาเวทนาเป็นจุดหมายเออต้องการอยากจะไปได้เสพสุขเวทนาร่วมกันไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ารักเทียมไม่ใช่รักแท้อันนี้ไม่ใช่เมตตาลองเป็นตัณหาเนี่ย แต่เราก็บอกเราก็บอกว่าเรารักเขารักที่ไหนเล่ารั ก, กร่วมกันทำบาปกันอยู่นั่นเลยบอกว่าเออชีวิตชีวิตคืออะไรไม่รู้อ่ะชีวิตคือขันห้าใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างไรเอ้าชีวิตก็เป็นอันนี้จังทุกขังอณาตตาชีวิตเป็นอย่างไรก็นี่ไงกายกรรมจีกรรมโนกรรมที่กาลังทำมันเป็นมันอย่างนี้แหละชีวิตควรเป็นอย่างไรควร น, นิพพานไหม ควรให้กิเลสนิพานไหมควรให้ขันนิพานไหมชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรควรเป็นอยู่ด้วยมัชฌิมาปฏิบทาด้วยอริยมรรคบิโองแปดจะไม่ให้เป็นต้นด้วยโยนิโสมรสิการด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยด้วยเวขาชีวิตก็ควรบําเพ็ญเมตตาบารมีเป็นต้นนี่แหละควรไหมควรเป็นอยู่แบบนี้แหละแต่ถ้าคนไม่รู้จุดหมายของชีวิตปุ๊บ ให้ตัณหามาแทรกหรือมาเกิดในใจปุ๊บตัณหาครอบงํำพรอตัณหาครอบง ำ, บงำปุ๊บจุดหมายของตัณหาตัณหาต้องการอะไรบอมตัณหาก็ต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรตัณหาเออเขาต้องการสวยสุขเวทนาเขาต้องการหลีกหนีทุกขเวทนาหรือถ้าไม่ได้สุขเวทนาตัณหาก็ขอให้ได้อุเบกขาเวทนาแบบเฉยโง่ ไอ้ตันหาต้องการตัวนั้นแหละเฉยๆเพลินๆโง่ๆซึมๆไปงั้นเลยะนั้นจุดหมายของความต้องการของตันหาคือต้องการเวทสุขเวทนามาตอบสนองอะไรตอบสนองความอยากตอบสนองสุขเวทนไอ้ตอบสนองไอ้ตันหาตัวเดียวนั่นแหละต้องการเสพตันหาต้องการเสพใช่มหมไอ้สังเกตดูนะเราบอกว่าทําไมคนสองคนถึงแต่งงานกันคนมีเป้าหมายอะไร ชาวโบราณก็บอกเอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตีให้มีลูกเต็มบ้านให้มีหลานเต็มเมืองโอ้หนี้ตันหาเป็นแบบนี้แหละต้องการเอบอกว่าเนี่ยตอบเราอยู่ได้กันแล้วเราจะได้สร้างฐานะครอบครัวใช่ไหมคือเราจะได้มีบ้านเราจะต้องมีรถเราจะต้องมีทรัพย์เราจะต้องมีกิจการที่มั่นคงเมื่อมีบ้านมีรถมีทรัพย์มีกิจการที่มั่นคงแล้วเราจะได้มีความสุขกว่าเงิน เนี่ยตัณหามันต้องการสุขนี่แหละสุขอะไรสุขเวทนาใช่ไหมถามไปสุขเวทนาีนเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงสุขเวทนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือมั่นคงเร็วหรือช้าตลอดเวลาหรือไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้ภาษาพระเขาเรียกอนิจจัง มันแสดงอนิจจลักษณะคือลักษณะความไม่เที่ยงก็เกิดดับสืบต่อต่อเนื่องให้เห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์สิมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่มันขัดแย้งมันกดทับมันบีบคั้นนี่มันกดดันทําให้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถคงทนดาวนตั้งมั่นได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราควรไม่ควร ไม่ควรมันเป็นอัตตาเรื อ, อนตาเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเป็นไปตามความอยากเออเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเ อ, อ๊ะก็รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้รู้ไม่ติดต่อรู้ไม่ต่อเนื่องรู้ไม่เจาะแบบทะลุทะลวงไม่สามารถทําปัญญาที่เขาไปแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เลยไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมพอไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเจ็บปวดดี่ในชีวิตถ้าเจ็บปวดเล่าร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายจริงไม่จริงเอออย่างเงี้ย เออวิธีกระแสชีวิตของมนุษย์ก็เพลินเพินมึนมึนงงงกั น, น, น อ, อ, อ, อ, อยู่ด้วยอวิชชาตนาอุปาทานนี้แหละสรุปก็คือว่าชีวิตเป็นอย่างไรมันเป็นมันเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น น, าาน่าตาแล้วเป็นอย่างไรอีกเนี่ยมันเป็นตามหลอกของอ า, อาศัยตาและรูปอาศัยตาและลรูปมีจักรุประสาสมีรูปอารมณ์มีจักรุญ ญ, ญาณพอทำสามประการนี้มาประจวบกันมาประชมกัน ปุ๊บการประจวบการการประชมการนี่เขาเรียกผัสสะเขาเรียกจักขูสัมผัสสะพอผัสสะมีการประชุมการมีการประจวบกันปุ๊บกลายเป็นเป็นปัจจัยแก่เวทนาบางครั้งจากการเห็นเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาได้ไหมเห็นปุ๊บเนี่ยสุขเวทนาเกิดได้ไหมเห็นปุ๊บทุกเวทนาเกิดขึ้นได้ไหมเห็นปุ๊บอทุกขมสุขเวทนาเฉยๆได้ไหมไ้เวทนาถ้าสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ ตัณหาอีกประเภทหนึ่งก็คืออยากหนีอยากหลบนี่นแหละเรียกว่าโทสะก็ได้ถ้าเวขาเวทนาก็เป็นไปแบบเรื่อยๆเฉยๆมึนๆ ง, งงๆก็เป็นที่ตั้งของเวขาของโมหะดีนักแล่เนี่ยเอาละสิแตเนี้ยพอตัณหาเกิดขึ้นอวิชชาเกิดขึ้นอุปาทานก็เป็นไปใจแกอุปาทานความยึดไหมติดใจไปกระสันยึดมั่นถือมัน พอยึดมากเท่าไหร่ทุกมากเท่านั้นไหมเนี่ยอุปาทานก็เลยเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นกรรมปะพะวะด้วยทํากรรมต่อกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมทําต่อภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติการเกิดในการเกิดเนี่ยถ้าน่าว่าตามอภิธรรมอันใเป็นการเกิดขึ้นของเออเป็นการเกิดขึ้นของตัวตนก็ได้นะเป็นขนาดจิตเนี่ย เป็นขณะของรูปธรรมและนามธรรมที่มันเกิดขึ้นทุกๆขณะก็ได้ชาติและมันเกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นว่ามีความรู้สึกว่ารักชอบมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกเกลียดขึ้นมาโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยเนี่ยชราวราณานี่การดับการแตกสลายการดับกับต่อไปก็เป็นโสกกาลปฏิเทวะทุกขโทมนาสอุปายาทั้งหลายเนี่ยความโศกความลําไรลําพันธ์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็ตามมาเป็นต้นความไม่รู้เป็นแบบนี้เนะเอาละแตเนี้ยประการต่อมาคืออันเนี้ยพูดถึงเรื่องศีลสามัญญตาต้องเป็นศีลที่เป็นอริยกันดศีลข้อสุดท้ายทิฏฐิสามัญญตาปรับความคิดเห็นของกันและกันให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามตานองของต่ำไม่ออกนอกลู่นอกทางนะทิฏฐิสามัญญาตานี่อัสมาทิฏฐิคำว่าอริยะเจ้าเป็นตัวตั้งนะไม่ใช่ทิฏฐิของคนทั่วทั่วไปเนาะ อ่าทีนี้พูดถึงเรื่องอนิสงส์อนิสงส์ของเมตตาเนี่ยหลับเป็นสุขสุ ข, ขังสุปฏิเนี่ยสุ ข, ขังปฏิพุทธิิก็ตื่นเป็นสุขอันนี้เห็นชัดเลยได้ไหมสองข้อนี้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขได้หรือไม่ได้ยังไม่ได้หน้าปาประกงังสุปีนางปัสติไม่ฝันร้ายตรงข้ามหมดเลยใช่ไหมมนุษสานางปี โ, โตีเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายได้ไหมข้อนี้ อันนี้เป็นผลนะอมมนุษสานางปิโยโติเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายไปเดวตารักขันติเทวดาทั้งหลายก็รักษาคุ้มครองนาสักีวาวิสังวาสัตถังวากรรมติไฟสัตรายาพิษโรคร้ายไม่ถูกต้องไม่กลํกลามกรางจะไม่ป่วยหนักไฟไม่ไหม้ยาพิษไม่ทําลายโหเมตตาขนาดนั้นน่าจเจริญไหมเนี่ยบอกอา น, นิสงขนาดนี้ ตัวทั้งจิตตั้งสมาธิยติจิตตั้งมันได้อย่างรวดเร็วมุกขวันโนวิปัสสีสติเ อ, อมีสีหน้าที่ผ่องใสน่าดูไม่ใช่หน้าอย่างเดียวเนี่ยผ่องใสทั้งตัวไหมผ่องใสทั้งหมด่ะแต่ดูกันที่หน้าเขามองกันที่หน้าอ้า อ, อย่างท่านไหนหน้าผ่องใสไหม <S <S เริ่มผ่องใสขึ้นไหม <S <S บอมผ่องใสไหมหนูฮะไม่ก็ต้องดูว่าเมตตาเกิดบ่อยไหมดู ด, ดูบ่อยไม่บ่อย เกิดบ่อยไม่บ่อยสังเกตดูวันวันหนึ่งเจริญเมตตาบ่อยไหมคิดถึงเมตตาบ่อยไหมไม่บ่อยงั้นก็ไม่ผ่องใสก็ตอบแค่นี้แหละอันนี้สงฆ์ยังไม่เกิดหรอกใช่ไหมแต่ถ้าหากเจริญเมตตาบ่อยบ่อยบ่อ่อ่อติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องคิดว่าหนึ่งวันนี้จะผ่องใสเลยไหมเริ่มเลยไหมเริ่มมีเงารัศมีของความผ่องใสออกมาเลยเอาเลยเริ่มวันนี้เลยได้ไหมฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นทํำไมก็ทําให้มันเกิดทีใช่ไหม อันดับแรกก็คือไปคิดเมตตาบารมีเมตตาพเมีารเนี่ยนะคิดก่อนคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดให้เกิดความเข้าใจฟังจนตกผลึกแล้วเป็นสุดตมยปัญญาแล้วก็ใช่ไหมถ้าเป็นสุดตมยปัญญาเนี่ยไม่ได้แค่ฟังแล้วใช่ไหมคิดก็คือว่าสามารถทำความเข้าใจเมตตาได้ชัดขึ้นได้ลึกขึ้นได้ละเอียดขึ้นได้กว้างขวางขึ้นจนสามารถเข้าใจ ตะคือว่ามีความลึกซึ้งในการเข้าใจมากกว่าที่ฟังถ้าจิน้หตรงเนี้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นโยนิโสโ น, นะฟังเพราก็เกิดความฉลาดคิดพอจินตามมัยบปัญญาก็คิดตกผลึกเลยแต่เนี้ยโอ้โหคิดจนสามารถได้เหตุได้ผลอย่างชัดเจนจนรู้สึกว่าทราบซึ้งตรึงใจในสภาพของเมตตา ทังตลอดได้ดีด้วยเหตุและผลแล้วโอนี่เข้าใจเหตุผลแล้วทำไมเมตตาเกิดขึ้นยึงหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอนมนุษย์ไปสัตรา ย, ยาพิษโรคร้ายไม่กากลายมีสีหน้าผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยาเนี่ยไม่หลงตายเนี่ยอาศัมมุนหัวกัลลังกรโดตีนี่แปลไม่ไม่เป็นเอาไม่เป็นอัลไซเมอร์นึงอุตริงอปติวิชันตรปรมารูกุ ป, กปขโขติเนีเมื่อยังไม่แทงตลอดทําที่ยิ่งยงิ่แทงตลอดพกันก็ไปมโลกเลย อันสอ์ของสมาธินี่เนะ <c> ่ <oughs> ตรงนี้ก็ต้องได้ทั้งคณิกะสมาธิอุปจาระโดยเฉพาะอัปปนาสมาธินะถึงจะสามารถได้สภาพของเมตตาอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ <c oughs> และอย่างหนึ่งก็คือว่าอา น, นิสงส์ของผู้ที่ไม่ปฏิทุสลายมิตรก็คือว่าถ้าเราทําจิตของตนเองไม่ปฏิทุสลายใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ให้คิดโกรธใครไม่อาฆาตพยาบาทใคร ถ้าทำอย่างนี้ได้ถ้าทำเมตตาเกิดขึ้นเมตตาพระมิหารพัฒนาไปสู่เมตตาบารมีได้จริงๆนะมีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อาอารทนแกสัตว์ทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ฝึ ก, กตัวตนเองจะเจริญเมตตาบารมีทั้งเมตตาบารมีเบื้องต้นอุ ป, ปบารมีอยู่ท่ามกลางและประมาธบารมีอย่างที่สุดให้ได้พาช้างฉัตรทันเนี่ยท่าน ตอนที่โดนนายพานโสนุดรมาตัดงาของท่านเนี่ยท่านโกรธไหมไม่โกรธเลยยังรักปรารถนาดีเอื้อตอนตอนนายพานโสนุดรเพราะตัดงาเสร็จแล้วท่านยังคิดว่าโอ้โหทำอย่างไรเนอะนายพานผู้นี้ถึงจะปลอดภัยจากบริวารของเรามัานก็บอกว่าด้วยอนุภาพแห่งงาคู่นี้ เราไม่เคยคิดประทุษร้ายท่านเลยไม่เคยคิดประทุษร้ายบุคคลที่คิดประทุษร้ายตอบเลยด้วยอนิสงค์ด้วยผลกุศลกรรมนี้ด้วยอนุภาพแห่งงานนี้ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ตั้งไว้ดีเมตตาที่ตั้งไว้ดีในเพื่อเพื่อเป็นปัจจัยต่อสัพพัญญุตญาณ น, นี้จงปกคล้องป้องคุ้มครองกระแสชีวิตของท่านผู้ประทุษร้ายเหล่านี้ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายในป่าเนี่ยทุกชนิด ทุกชนิดเลยนะขอให้ท่านจมรอดปลอดภัยจะขอให้ท่านยงมีอายุยืนขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีกําลังกายกําลังใจขอให้ท่านมีผิวพรรณงามท่านปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาขอให้ท่านพ้นทุกข์เราตัดสู้แล้วจกทําบุคคลที่พัทุศร้ายเราให้ตัดสู้ตามด้วยคิดขนาดนั้นปรารถนาขนาดนั้นอย่างนี้เมตตาจริงไหมโอ้โหเรางทีเจอมดตัวเดียวกัดแค่เนี้ย ยังไม่เมตตามดได้ไหมเนี่ยเมตตาไหมโอ้โหต้องฝึกอีกเยอะไหมเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะนั้นอานิสงส์ของผู้ที่ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตรหรือต่อบุคคลที่ตนเองเขาหาสมาคมทั้งหลายหรือรู้จักเนี่ยเป็นสภาวะของเมตตาเนี่ยอโทสะมีอานิสงส์อีกสิประการนะข้อแรกก็คือไม่อดอยากย่อมไม่อดอยาก หมายความว่าบุคคลที่ไม่ประทุสลายมิตรนั้นจะไปหน้าที่ใดๆก็ตามย่อมไม่อดอยากเพราะปัจจัยสี่ย่อมมีอาหารเลี้ยงดูมากมายทั้งสามารถเป็นที่อาศัยพึ่งพิงของบุคคลทั้งหลายได้เพราะบุคคลที่ไม่ประทุสลายมิตรนั้นย่อมยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลผู้พบเห็นทั้งหลายเหล่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็รักใครเอ็นดูบุคคลนะั้นเนี่ยฝึกไว้สิ ได้ข้อแรกเนี่ยไม่อดอยากถ้าพวกนี้จะทํากิจการใดๆรวยหรือไม่รวยอ่ะคนมีเมตตาเนี่ยรวยไหมนี่เป็นใช่คุณธรรมที่จะให้ประสบความสําเร็จหรือไม่ไม่ประสบความสําเร็จที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะทําคุณธรรมข้อนี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองถ้าทําให้เกิดได้จริงๆจะประสบความสําเร็จหรือไม่เกิดแค่ข้อเดียวลดหน้าลงทุนไหมลงทุนน้อยแต่อานิสงส์มากหรือไม่มากําทำไมไม่ทําเพราะไม่รู้ บางคนเนี่ยทาไม่เป็นเนี่ยพอรู้สุตตะได้แล้วแต่ไม่มีสุตตะมยปยัญญาและไม่สามารถพัฒนาไปสู่จินตามัยปยัญญาที่หนักไปกว่านั้นไม่สามารถพัฒนาไปสู่ภาวนามยปยัญญาคือการปฏิบัติบําเพ็ญคือทําให้เมตตาเกิดได้ไม่จริงทําลายโทสะได้ไม่จริงทําลายจิตผูกอาฆาตได้ไม่จริงแล้วก็ยังจํากัดจํำขี่เฉพาะบุคคลคนนี้เมตตาได้คนนั้นเมตตาไม่ได้โอ้ยเยอะใช่ไหมก็ไปทำเถสิไม่น่ายากเลยเนี่ย ปฏิบัติบำเพ็ญทำให้มันเกิดขึ้นดี่นอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้เดินก็ฝึกได้ใช่ไหมมันเป็นมโนกรรมหรือเป็นกายกรรมหรือเป็นวิจิกรรมเมตตาจริง <Absolutely. S 1> ๆแล้วจริงๆอยู่มโนกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดทำจิตให้มีเมตตาแล้วเดี๋ยวกายกรรมวจีกรรมออกมาจะชํานาญไหมก็จะเป็นเมตตาได้สองย่อมได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งเห็นไหมขนาดนั้นเลยนะสภาพเมตตาบุคคลที่ไม่ประทุษร้าย มิตรก็ดีบุคคลอื่นก็ดีย่อมได้รับการบูชาด้วยอมิสซบูชานะเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ย, ยทุกวันนี้ยังได้รับอมิสซบูชาอยู่ไหมภาษาริบุตรพระโมคคารนาเป็นต้นในวัตถุอันเลิศด้วยแล้วก็ด้วยปฏิบัติบูชาด้วยนะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ฐานะตนจากบุคคลทั้งหลายที่ประสบพบเห็นไม่มีเวรภัยเกิดขึ้นในที่นั้น น, นโอ้ได้ทั้งอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาได้ยังไงอมิสบูชามีคนเอาวัตถุสิ่งของให้ ปฏิบัติบูชาเขาปฏิบัติต่อเราดีเนะี่ยเขาไม่อาฆาตพยาบาทเราปฏิบัติต่อเราดีอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นไปเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานก็เลี้ยงนวดฟันดูแลให้ข้าวให้น้ําไม่พอยังเอาออกเอาใจยังพาไปวัดไปวาดูโอ้โหได้รับการปฏบิบัติบูชาอย่างดีเลยว่างั้นเถอะนี่อันนี้สองของไม่ประทศราดีขนาดนั้นนะ น, นะประการที่สามไม่ถูกข่มเหงรังแกหมายความว่าบุคคลที่ไม่ประทศราย บุคคลอื่นย่อมยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่ได้ประสบพบเห็นเขาได้การที่ตนเองทํากุศลกรรมอันงามมีทั้งเมตตากายกร ร, กรมมีทั้งเมตตาวิจิกรรมมีทั้งเมเนตเมตามันกรรมเนี่ยเนี่ยที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเราจเจริญเมตตาได้ไม่เท่ากันคนจึงรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนแก่พวกเราได้ไม่เท่ากันถ้าใครยิ่งทําได้มาก โอถ้าทำวันนี้โอ้โหวันนี้มีตั้งยี่สวันนี้มีตั้ง12ชั่วโมงกลางวันกลางคืนในทั้ง2 2เอาเวลาไปทำอะไรกันเนี่ยทำไมไม่รีบทำให้เกิดขึ้นก็คิดโยนนิสสมริศการทำเมตตาให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่อง ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นก่อนได้ไหมทําเมตตาให้เกิดขึ้นพูดก็พูดด้วยเมตตาทําก็ทํำด้วยเมตตามองอะไรก็มองด้วยเมตตาเห็น อ, อะไรทั้งหลายทําเมตตาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นรักปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจยื่นไมตรีจิตให้แผ่ความรักแผ่ความปรารถนาดีแผ่ไมตรีจิตให้เกิดขึ้ น, กนเอออนแบบนกิดขึ้นเกิดขึ้นทําติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องได้ไหมเนี่ยทําไมไม่ทําไม่ทําอะไรอยู่ปวดมื่หัวมือเอ่เกิน เดินไม่ตามไม่ได้แล้วใครไปขวางความคิดหนูใครขวางใครขวางความคิดสมณีนมีไหมไม่มีทําไมไม่ทําอ่ะทําไมไม่ทำนายใครทําไมไม่ทำนั่นเรียกไปไหนไม่ถูกรังแกและอย่างหนึ่งนะนอกจากไม่แม้โจรก็ไม่ข่มเหงรังแกบุคคลนั้นโอ้โหสุดยอดเลย ใช่ไหมพอถูกจับปุ๊บเนี่ยจนเห็นปับ๊บโอ้รักน่ารัก <c oughs> เข้าไปหลังเกเขาคิดอยากจะไปะทุจรลายก็คิดอยากจะลักของเข อ, อย่างเราเนี่ยมีคนจ้องอยากจะลักของเราเนี่ยเออพอรู้ว่าเป็นของเราเนี่ยโอ้โหหายอย่างเร็วเลย <c oughs> เขาคิดเบียดเบียนจ ะ, ะเราเอย่างสมมตินะ อีใครเขาโกรธเราก็าคิดอยากจะด่าเราพอมาเจอหน้าพบด้วยนอานิสงส์ที่เราจเจริญเมตตาอย่างรุนแรงพอเขาเจอปุบเขาจะด่าลงไหมเขาจะลาบปรารถนาดีเอื้อทอนดันดีแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราเมตตายังไม่เกิดที่เขาคิดจะด่าแค่คำสองคาพอเห็นหน้าปุ๊บเขาด่ากี่คาคิดจะด่าสักห้านาทีขรอสักชั่วโมงโดนด่าทั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โ ห, หน่าเกลียดจริงๆใช่ไหมไอ้ที่จะด่าน้อยก็ด่ามาก เออพระราชาผู้ทรงธรรมก็ไม่ดูหมิ่นบุคคลนั้นด้วยเนะยยกย่องสรรเสริญให้ปรากฏเกียรติคุณด้วยเกียบุคคลทั้งหลายเออบุคคลนั้นก็จะปลอดภัยจากฆ่าสึกทั้งปวงโอ้หน่าจเจริญจริงๆเออมีเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีพระเทรล่รูปหนึ่งท่านแผ่เมตตาให้กับพระราชาเออพระราชายังฝันเห็นยังให้คนไปเกื้อหนุนเกื้อกูลเอาลองดูที่เอาลองทําตรงนี้หน่อยที่พวกเรานึ่ฝึกเมตตาหน่อยที มีผ้ารูปนึงไม่เชื่อค็อไปฝึกอย่างเนี้ยฝึกเจริญเมตตาเจริญเมตตาเจริญเมตตาพอเจริญได้สักเดือนหนึ่งมีคิดถึงเพื่อนที่เคยจากกันมาตั้งสิบปีโอ้เพื่อนมาหาเลยนี่ทดลองได้ขนาดนั้นน่าทดลองไหมละ่ะเอ้าไปฝึกได้รับประกันถ้าท่าธรรของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้จริงจริเนี่ยฝึกเยฝึกเดือนเดียวเนี่ยนะแล้วลองคิดให้อยากใหใ้ใครมาหาก็มาแต่ยไปคิดให้คนมาหาใหญรุ่นวายเยอะ <laughs> มัน <c oughs> คิดถึงเรามันอยากมาหามาหาแล้วามีความสุขเขาบอกอยากมาเห็นหน้ามาแล้วก็มีความสุขโห oh, อันนี้สองขนาดนั้นแล้วถ้าพวกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าทำธุรกิจจะยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ oh. ไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยได้รับปฏิสันถานอย่างดีก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายมิตรเนี่ยย่อมยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วไม่พอด้วยตนเองเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละ เมตตาจิตก็เกิดแก่บุคคลผู้ได้ประสบพบเห็นในสถานที่ต่างๆที่บุคคลนั้นไปบุคคลนั้นพบเห็นก็เกิดความรากักความเคารพเหมือนญาติมิตรเหมือนเหมือนมิตรสหายที่จากกันเป็นเวลานานพอเห็นแล้วรักโอ้โหไม่ได้เห็นคือเห็นแล้วรู้สึกอยากจะมองแล้วมองอีกรักเหมอือนกันเดินบินทบาทไปนี่แหม พอผ่านปุ๊บก็นเนี่ยโอ้โหมนมองโอไม่ได้แล้วทุกอย่างที่อยากจะใส่วัดเนี่ยโอ้ใส่องค์นี้ดีกว่ารู้สึกโอ้โหน่ารักมากลองทําดูนะทําให้ลองให้เมตตาให้คนลุมล้อมเต็มไปหมด ล, ลองดูทุกทีด่ดีได้ไหมได้ไหมบอมอันนี้พูดเกินจริงไหมไม่เกินจริงเนะืได้รับความต้อนรับอย่างดี ทั้งอามิสปฏิสันถานแล้วก็วัตถุสิ่งของและธรรมะปฏิสันถานการต้อนรับโดยธรรมะเขาจะต้อนรับเราสองอย่างนะหนึ่งอมิสสองธรรมะแต่ถ้าเราไม่ม <og> ีเมตตานะหนึ Và, ่งเราจะไม่ได so ้อามิสสองเราก็จะได้เสียงด่าบางเสียงตําหนีติดติงบางโอ้เยอะแยะหมดเลยนั้นฝึกเมตตาให้เต็มที่เลยทีนี้ตอนเนี้ยเจริญกันลองเจริญกันทุกองคอยู่สี่องค์ที่อยู่ในกฎนี่โหยุ่งเลยนะต้องเจริญเมตตาจริงๆนะต้องเจริ ย่อมได้รับส ก, การะอย่างยอดเยี่ยมก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ประทศรายมิตรย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายที่ประสบพบเห็นแด้แล้วเนี่ยบุคคลทั้งหลายก็รักคารพสซาลเสริญบุคคลนั้นเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่สมแก่ฐานะของบุคคลนั้นก็จะเกิดขึ้นเลยโอ้โหย่อมได้รับบูชาอย่างยอดเยี่ยมข้อที่หนี่นีก็หมายความว่าบุคคลที่เจริญเมตตาแล้วย่อมได้รับการบูชาจากบุคคลทั้งหลาย มนุษย์ก็บูชาเทวดาก็บูชามารก็บูชาพรหมก็บูชาและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทั้งอมิสบูชาวัตถุสิ่งของและปฏิบัติบูชาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายในส า, ลากลจักรวาลทั้งหลายนีย่โอ้โหลักมากเลยได้รับการบูชาอย่างพระเจ้าเนี่ยมีความรุ่งเรืองมีสิริด้วยจากการที่เมตตามีกําลังติดต่อต่อเนื่องและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานตามลําดับเกิดขึ้นเลยยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะ เกิดขึ้นแกบุคคล น, นั้นภายในสถานที่นั้นนั้นแล้วก็ข้อที่แปดย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์การจะหาทรัพย์ไม่ยากเลยนะเนี่ยน่าทำจริงๆรงใช่ไหมบางคนไปหาความร่ำรวยทำงานหาอุ๊ยทำไมเราหาเงินยากหาเงินยากโอ้ยอย่างนี้จะไม่ยากเลยเนี่ยไม่ปฏิเสธลายมิตรแค่นี้มีเมตตาแค่นี้แหละพวกทรัพย์ก็จะมากมายประกอบกิจการงานใดๆเนี่ย ได้พกกรพย์โพกกระซัะซบบางเกิดขึ้นจากกิจการนั้นๆมากกว่าคนอื่นเลี้ยงสัตว์ก็โหสัตว์ก็ปุ๊บปุ๊ป๊ปลูกพืชธัญญาหารก็เจริญเออบางคนเนี่ยผมเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นคนมีโทรศัพ์มากตอนเด็กๆเป็นคนเครียดคิดเยอะผมไปปลูกต้นมะพร้าวคนอื่นเขาปลูกเนี่ยโหมะพร้าวเจริญเยผมนี่ปลูกต้นเล็กนิด แล้วก็น่าเกลียดอีกต่างหากมันมันออกมางอๆแบบนี้นะงอทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครโคลนเลยมัมมพลาตันนี้ผมไปผมไม่อยากดูไม่อยากดูเลยไม่มีรูปเนียพวงเนี้ย พ, พวกจิตปะทุสลายเยอะผมเป็นเยอะไงป <laughs> วกวันปูกต้นไม้ไม่งาม ฉะนั้นอยากจะปลูกพืชพันธัญญาหารเจริญเติบโตงอกงามก็ให้มีเมตตาเยอะๆข้าวกล้าก็ผลิตผลได้มากมายยังความปีติและความพึงพอใจใเกิดแก่บุคคลได้ทุกอาชีพโอ้โหขนาดนั้นน่าทําอาชีพอะไรก็ทําไม่ต้องกลัวขาดทุนนะท่านเจริญเมตตาอย่า ก, กลัวขาดทุนพรธเจ้ารับรองไว้เชื่อไหม แต่ถ้าเมตตาไปถึงขาดทุนยับเยินย่อมเป็นที่พึ่งเงินประเสริฐด้วยก็หมายความว่าเมืตาเมตตามีกําลังแล้วไปสู่หน้าที่ใดย่อมไม่เดือดร้อนย่อมเป็นที่พึ่งคํานักสุขประกายสบายใจและผู้ทรงศีลทรงธรรมคือบรริยย้าทั้งหลายก็อนุขอคข้อบุคคลที่ไม่ปัสลายมิตแต่ด้วยอัฏฐะด้วยธรรมะย่อมไม่อนุข้อด้วยสิ่งที่ผิดโอ้ใครไปก็เกื้อกูลในสิ่งที่ถูกข้อสุดท้ายคือศัตรูไม่เบียดเบียนงั้นคนดี คิดเบียดเบียนทั้งหลายบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายมิตรนั้นย่อมยังเมตตาให้เกิดขึ้นแม้ศัตรูหมู่อมิตรทั้งหลายเมื่อได้ประสบพบเห็นรูปจิติศัพท์ของบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายแล้วย่อมไม่เบียดเบียนรังแกไม่ปนสะดมไม่ลักขโมยสิ่งของของคนนั้นหรือศัตรูที่เข้ามาเห็นเนี่ยจากที่จิตเขาแข็งกระด้างก็อ่อนโยนโผมเห็นมาแล้ว มีพระรูปหนึ่งท่านเดินเมตตาได้เพราะท่านเดินเมตตาได้แล้วอยู่ต่อมานี่แหละจะไปเจราจานี่แหละไปเจราจาในหมู่ญาติที่เป็นคนที่โกรธ อ, อยากจะให้ศึกอยากจะอะไรเนี่ยพอเดินเมตตาได้อาจารย์ก็บอกเอา้างั้นวันนี้ท่านเดินเมตตาแผ่ให้กับญาติเนี่ยทั้งวันเลยเแผ่ให้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนแล้วก็ไปนะท่านก็แผ่แผ่แล้วก็ไ ป, ไปโอ้ไอ้ร้ายกลับเป็นดีเลยแล้วแต่จะยังไงก็ได้เปลี่ยนแปลงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยโหขนาดนั้นนะ กินนอนยอนหมดแล้วจะวพูดอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดในเรื่องของความไม่กโกรธครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทรับอยู่ที่เวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตะเขตพะนกรราชคลื่นี่แหละเมืองหลวงแฟนมคฏในครั้งนั้นเน่อกโกสกะพาระทวาชาพรรามได้สดับว่า พระรามภาระทวาชาโคตที่เป็นพี่ชายเนี่ยออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตใช่ไหมในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็โกรธโกรธมากขัดใจขัดเคืองมากก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับคันแล้วก็ได้ด่าบริพาศพระพุทธเจ้าได้วาจาอันหยาบจี่เป็นวาจาที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษนี่แหละด่าโอ้ยด่าเยอะนะพระพุทธเจ้าดวนด่า ไอ้คนไม่สั ม, มาณะศีรษะโล้นไอ้คนที่ไม่ผูดไม่เกิดนี่ดังพระเจ้าก็ยอมรับนะเออคําด่าของเธอถูกแต่เจตนาในการด่างเธอนั้นผิดยัง <c oughs> ไงบางทีด่าถูกนะไ อ, อ้คนไม่ผูดไม่เกิดนี่พระพุธเจ้าผูดเกิดไหมหมดแล้วไม่ต้องผุดต้องเกิดอีกแล้วที่ด่าถูกแต่ว่าบางคนเขาด่าเราบางทีเขาด่าถูกแต่เจตนาที่เขาด่ามันผิดเจตนาปทุศรัต งั้นไอ้คำด่าไม่ต้องแก้แก้ที่เจตนา <laughs> ใช่ไหมหรือว่าไอ้กอกเริยาวาท่าไอ้คนไม่มีกะไม่เรียกว่าไม่เป็นอันทำคือพระเจ้าก็เออด่านี่ก็ถูกอีกนะกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมของพุทธเจ้าไม่เรียกว่ากรรมแล้วไม่สามารถนำไปสู่สังสารวัฏได้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> เป็นเพียงกิริยาเป็นเพียงอาการเท่านั้นเองแหละ คำพูดของเธอนะ่ถูกแต่เจตนาของเธอน่ผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเนีเมื่ออโกสกะภาะทวาชาพามด่าบริพาทอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับอโกกะภาฬทวชาพามว่าดูก่อนพรามท่านจักสาคัญความข้อนั้นเป็นไนมิตรก็ดีอมาดก็ดีญาตสายโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาสู่บ้านของท่านบ้างไหม เ อ, อ่อมีไหมอยู่ที่บ้านเคยมีญาติมาหมู่มิตรมาเพื่อนมาเคยมาหามีไหมที่อยู่ที่บ้านอ่ะถ้าอย่างเราก็เคยอยู่แล้วใช่ไหมเคยไม่อยู่บ้านแล้วมีเพื่อนมาหาเพื่อนเอาของมาให้เคยไหมเคยอโกสกาพาลทวาชาพรามก็ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญมิตรและอมาตญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกข อ, ของข้าพเจ้าของข้าพระองค์ย่อมมาบ้านของข้าพระองค์เป็นบางคราว พุทธยากตรัสบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านย่อมสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับมิตรอมาตสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือบอกว่าเออถ้าเพื่อนมหาเนี่ยจัดน้ําดื่มจัดอาหารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นญาติมหาพ่อมหาเนี่ยจัดของกินของเคี้ยวให้บ้างไหมอาโกสก่ า, า, า, า, าพาัทวาแชพราหมะพระโค ด, ดมพระโคดมผู้เจริญบอกข้าพระองค์จัดสิจัดของเคี้ยวของบริโภคของ ดื่มต้อนรับมิตรอามาตญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างในบางคราวพระเจ้าก็ตรัสวัตดูก่อนพราหมณ์ก็ถ้ามิตรหรืออามาตหรือญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับไม่รับของเคี้ยวไม่รับของกินไม่รับของบริโภคของดื่มนั้นน่ยของเคี้ยวของกินบริโภคนั้ น, ค ว, น ค, ควรจะเป็นของใครควรจะเป็นของใครอโกสกาพาละทวาชาพราหมณ์พระโคดมผู้เจริญถ้ามิตรหรืออมาตเนี่ย ญาสาวโลหิตที่เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคของดื่มนั้นของเหล่านั้นก็ต้องตกเป็นของข้าพระองค์เหมือนเดิมเ น, นพระเจ้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าก็เลยตัดว่าดูก่อนพามของนี้ก็อย่างเดียวกันคําพูดนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าตอบท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นก็คือ ท่านจ้องหาโทษเราเราไม่ได้จ้องหาโทษท่านเราก็ไม่รับเราไม่รับคำด่าของท่านเราไม่รับความโกรธของท่านเราไม่รับการจ้องหาโทษของท่านดูก่อนพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นความด่าเป็นต้นความโกรธเป็นต้น การคิดจ้องหาโทษของท่านเป็นต้นของท่านก็จงเป็นของท่านแต่ผู้เดียวเถอะเพราะตถาคตไม่รับชัดไหมชัดเจนในข้อนี้ไหมรับไหมอย่างถ้าเราเรารับไหมไม่ใครด่าเราเรารับไหมยกตัวอย่างเน้นนะไม่กวาดไม่รู้เรื่องเลยตำหนิ่างีปุ๊บเน้นจะโกรธไหม ถ้ามีคนตำหนิอย่างนั้นโกรธไม่โกรธโกรธใช่ไหมเครียดไหมเครียดแล้วก็คิดว่าทําไมว่าแต่เรากรณีอย่างนี้แปลว่าเป็นคนรับหรือไม่รับรับคําด่ารับเสียงด่ารับความโกรธรับจิตที่คิดจ้องหาโทษพรธเจ้าก็บอกว่าเราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านดูก่อนพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นก็จงเป็นของท่านผู้เดียว แล้วก็ตรัสต่อไว้ดูกรพราหมณ์ผู้ใดด่ดาตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่ความมั่นตอบก็คือจ้องหาเรื่องกับคนพูดจ้องหาเรื่องอยู่ดูก่อนพราหมณ์ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมบริโภคร่วมกันย่อมกระทําตอบกันนี่เขาเรียกคนบริโภคร่วมเวลาใครด่าแล้วก็ด่าตอบใครโกรธแล้วก็โกรธตอบใครจ้องหาโทษเราแล้วก็จ้องหาโทษตอบ ลักษณะนี้เขาเรียกคนบริโภคร่วมเข้าใจยังเป็นคนบริโภคร่วมย่อมกระทําตอบกันพุทธเจ้าบอกเรานั้นย่อมไม่บริโภคร่วมไม่กระทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดดูก่อนพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นจงเป็นของท่านแต่ผู้เดียวอโก ส, สกะภ า, า, า, า, าราธวาชาพามณ์บริษัทพร้อมได้พระราชาย่อมทราบพระโคดมอย่างนี้ว่าพระโคดมเป็นพระรหารัา์ เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นเหรอเนี้ฉนันไหนพระโคดมผู้เจริญจึงจะยังโกรธอยู่แล้วเป็นต้นพระพรัเจ้าก็ตรัสว่าผู้โกรธเนี่ยผู้ไม่โกรธฝึกตนเองแล้วมีความอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสงบคงที่ความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั้นแหละเออเวลามีคนมาโกรธเรามาด่าเราแล้วเราโกรธตอบเขาใครเลวกว่ากัน คนแรกหรือคนหลังเหตุผลคนหลังเร็วกว่าเพราะคนหลังได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วฉชนไหนคุณไปบริโภคร่วมฉนไหนคุณไปทาตามท่านเลยอุปมาเหมือนคนเอาอุจจ า, าระมาลาดหน้าตัวเองต่อหน้าเราเราก็โ ก, กรธก็เลยวิ่งไปอุจจาระมาเทราดหน้า ต, ตัวเองตอบเขานี่แหละจิงหน้าเกลียดกว่าคนที่ทำก่อนใช่ไหม ชื่อว่าย่อมชนะเขาบอกว่าบุคคลที่ไม่โกรธตอบุคคลที่ไม่โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงฆามันบุคคลชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติด้วยสงบระงับเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่หนึ่งประโยชน์ตนด้วยสองประโยชน์บุคคลอื่นด้วยเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งประโยชน์ตนและบุคคลประโยชน์ผู้อื่นอยู่ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสําคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขาจริงไหมจริง คนที่ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบใครไม่ด่าตอบใครไม่ประทุษร้ายใครคนส่วนใหญ่ไปมองว่าเป็นคนโง่ใช่ไหมใช่แต่จริงๆเขาโง่งหรือไม่โง่โง่หรือฉลาดเขาฉลาดเขากำลังรักษาประโยชน์ตนเองแล้วก็ไม่ทำร้ายประโยชน์บุคคลอื่นต้องเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอกโกสกะภาราชวชพรามได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผูเจริญ พาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งยิ่งนักพระโคโดมพุทธเจริญทรงประกาศธรรมอันเป็นอนเนกปริยายนะเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดจะคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ชั้นใดข้าพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญถึงพระธรรมและถึงพระสงฆ์ว่าเป็นศารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าเถิดเนี่ยโอ้ทีแรกโกรธ กดที่น้องไปบวชใช่ไหมใช่ไหมพอกลับไปเบียดเสร็จตนเองต้องบวชตาม อ, อโกสกาภารัทวาชัพรามได้บรรพชาอุสมบทแล้วในสำนักพุทธเจ้าที่ท่านอโกสกาภารัทธวชานบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปไม่นานเท่าไหร่ก็ทําให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษนันยอดเยี่ยมถึงที่สุดอย่างพระมจรนท์เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งคนละบททั้งหลายออก จากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบมีความต้องการมีความปรารถนาโดยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้ทราบว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนี่แหละท่านพระอกโกสกะพารัทธวชะได้เป็นพระฐาน ร, รูปหนึ่งในบรรดาพระฐานทั้งหลายทั้งนี้แหละเริ่มชัดเจนนี่อย่างตงัวนี้สรุปแล้วตรงนี้ต้องการพูดในเรื่องของเมตตา เมตตาบารมีเนาะทีนี้เมตตาบารมีเนี่ยลักษณะเป็นต้นของเมตตาเนี่ยมีสามระดับการไม่ละเมิดเมตตาในสัตว์ทั้งหลายการไม่ละเข้าไปการไม่ละเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายด้วยปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีชาติทุกข์ชราทุกข์เป็นต้นอย่างนี้แม้ผู้นั้นทำลายทรัพย์สมบัติของตนเองให้พินาศไป ก็ไม่โกรธอันนี้เป็นเมตตาบรารมีอย่างเช่นว่าเราปรารถนาให้เขาเนี่ยประสบความสาเร็จในชีวิตได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่กำลังเราหวังดีกับเขาอยู่ๆแล้วเขามาเอาไฟมาเผาบ้านเราเอาไฟมาเผารถเรามาลักทรัพย์สมบัติของเราเรายังโกรธเขาไหมถ้าไม่โกรธเป็น เป็นเมตตาบารมีถ้าโกรธไม่เป็นเมตตาบารมีเจริญยากไหมเมตตาบารมียากไหมยะยากไหมก็คิดไว้ก่อนที่เนี่ยของทั้งหลายเนี่ยการเมลาเมตตาในสัตว์ทั้งหลายได้ปราถนาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มรณะทุกเป็นต้นพ้นจาก แม้ผู้นั้นจะมาทําร้ายอวัยวะน้อยใหญ่ของเราแขนขาเป็นต้นของตอนเองให้พินาศไปเหมือนสุวรรณสามก็ชื่อว่าเมตตาอุปปาลมีสุวรรณสามเนี่ยไม่โกรธนะเขายิงตนเองใ ช, ใช่ไหมการเ ม, รมตาาลาเมตตาในสัตว์ทั้งหลายโดยปราถนาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะแม้ผู้ทําแม้ผู้นั้นจะทําลายชีวิตของเราให้พินาศอยู่ ก็ไม่มีจิตคิดประทุษร้า ย, ยอันนี้เชื่อเมตตาปรมัตถบรามีเหมือนพญาช้างฉัตรทันอย่างนี้เหมือนีนนอนน้โอ้โหเจริญยากไม่ยากเยเริ่มจะชัดเจนไหมในเรื่องของเมตตาจเจริญยากไหมพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเมตตาบรามีย่อมเป็นผู้มีความรักใคร่ความปรารถนาดีก่อสั้งหลายผู้ถูกคุกคามครอบงำอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรักปรารถนาดีสัตว์ที่ถูกความเกิดครอบงําความแก่ความเจ็บความตายในครอบงํสาสัตว์ทั้งหลายที่ประสบเนี่ยนะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่ไม่ได้มีจิตเลือกที่จะรักมักที่ช่างไม่มีความลำเบียงรักใครต่อผูดด้ใดผู้หนึ่งแม้บคุคคลเหล่านั้นจะเป็นญาติสายเินเอ็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรักพระลาหุนรักพระเทวทัศเท่ากันเลยนะีย เรารักคนที่เป็นแม่เรากระักคนอื่นเท่ากันไหมฝึกไปฝึกไปมีจิตมุ่งประโยชน์แกสัตว์ทั้งหลายสม่ําเสมอกันหมดถึงแม่ชนเหล่านั้นจะคิดประทุษร้ายก็ตามมีได้มีจิตขุ่นเคืองแค้นเคืองตอบเลยแต่กลับมีจิตคิดสงสารต่อบคุคคลเหล่านั้นตลอดถึงยอมช่วยเหลือสัตว์ที่กําลังเดือดร้อนเป็นโกลณาได้ด้วยเนาะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องของเมตตาบารมี ที่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เอาละมีใครจะถามอะไรไหมจะหมดเวลาแล้วเข้าใจข้อปฏิบัติในด้านเมตตาบารมีสำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญเนาะก็ขอให้เราไปฝึกกันให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเนาะบางคนแค่ฟังโอ้โหเมตตาดีจริงๆๆๆฟังสะสมเป็นความรู้เบ็ดเสร็จก็ไม่ได้ทาให้มันมีให้เกิดขึ้นได้ ได้แค่สุดตาเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้เป็นสุดตามยปัญญาพัฒนาไปสู่จินตามยปัญญาและเป็นภาวนามยาปัญญาเป็นการปฏิบัติบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นจริงๆถ้าทําอย่างนี้ได้โอ้โหเมตตาเป็นภาวนาแล้วคราว่าภาวนาไม่ใช่เอามาท่องบนเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาไม่ใช่่างั้นนะนะทำมันเกิดจริงๆเลยให้มีขึ้นจริงๆแล้วจะทําให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยถ้าฝึกเมตตาได้เมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อ หลับเลยเลยหลับเป็นสุกไะงั้นถ้าเมตถ้ า, เ, าเน้เนเจริญเมตตาไม่ได้เนียนจะเป็นแบบเนี้ฉะนั้นถ้านมั่นใจว่าเอาละเราไม่ทําอย่างอื่นก่อนละฝึกเมตตาจเจริญเมตตาเดินเมตตาอย่างเดียวทุกเรื่องนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะต้องหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายให้ได้โอ้โหสามอย่างเนี่ยเอา คุณจะทำสามอย่างเนี่ยธรรมะสามประการนี้จะต้องเกิดต้องมีขึ้นในตนนี้ได้คิดพิจารณาใช่ไหมดูดิไปเรียนเยอะแยะแต่เอามาใช้ไม่ได้ยุ่งไหมทําให้มันเกิดก่อนให้เกิดให้ได้อย่างทําได้ไหมมันยากไหมล่ะไม่ยากหรอกจิตก็คิดตลอดคิดเมตตาสิใช่ไหมเน้ยคิดตลอดตรงนี้เนี่ยขอให้เน้นบอมจะมีความสุขมีอายุยืน จงประสบความสําเร็จในชีวิตจงปราบ ป, ปัญหาอุปสรรคจงเดินในศีลสมาธิปัญญาทําพากระแสชีวิตให้พ้นจากชาติทุกข์ก็ให้เจริญเมตตาได้นะรักปรารถนาดีเอือ้อทอนจงทําลายโทสะทําลายความเครียดได้จนมีจงมีสภาพจิตใจที่เยือกเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญจงมีกําลังของโยนิโสมนัสิกานคข้ควรใส่ใจฝึกเจริญในเมตตาจงมองสัตว์ทั้งหลายว่าเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ตายายายายกันมา เคยเ อ, เยเอือเยออดรท่านทั้งหลายมาให้จงมีจิตใจอย่างนี้เถอดจริงเนี่ยอาจารย์ให้พรไปแบบนี้รับไหมรับเออจงไปฝึกทำให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะขอบทนาท่าน